ไปแล้วว่าคนเราเมื่อเจอความทุกข์เจอเหตุร้ายเจอสิ่งที่ไม่ปรารถนาไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับร่างกายของเราทรัพย์สินเงินทองการงานหรือแม้แต่คนรักเหตุการณ์เหล่านี้บางครั้งหรือบ่อยครั้งเราก็ห้ามไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราทําได้คือรักษาใจไม่ให้ทุกข์ เสียแต่ทรัพย์นะแต่ว่าอย่าให้ใจเสียเสียงานแต่ใจไม่เสียเสียเวลาเพราะรถติดแต่จิตไม่ตกป่วยกายแต่ก็จะให้ใจป่วยด้วยแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนอกจากการรักษาใจไม่ให้ทุกข์แล้วเนี่ยยังมีอีกอย่างหนึ่งที่เราทำได้นะเราควรทำด้วยนั่นคือหาประโยชน์จากความทุกข์หรือเหตุร้ายที่เกิดขึ้น ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าร้ายอย่างเดียวนะมันก็มีข้อดีอยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นหรืออยู่ที่ว่าเราจะหาประโยชน์จากมันได้ไหมในสายพุทธการเนี่ยพระองคุลิมาเนี่ยเพิ่งบวชใหม่วันหนึ่งก็ได้ไปสนทนาธรรมกับพระนันทิยะ เพ่งภายหลังได้เป็นพระอรหันต์พระ อ, องค์กริมาเนี่ยเพิ่งบวชใหม่ก็เลยถามพระนันทิยะ ว, ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้สอนอะไรท่านบ้าง อ, องค์กรีมาก็เป็นผู้ใฝ่รู้ถ่อมตนนะแม้จะเรียนมาเยอะก่อนบวชพระนันทิยะก็เล่านะว่าผู้เจ้าสอนอะไรบ้างแล้วก็มีตอนหนึ่งพระนันทิยะกล่าวว่าเนี่ย ผู้ใดก็ตามที่รู้จักหาประโยชน์จากอิทธารม์และอนิทฐารมเพราผู้มีพระภาพสารเสริญพูดนั่นว่าเป็นบัณฑิตอิทถารมก็คือลูกระดิกก่งเสียงที่น่าพอใจอ น, นิทธารมก็คือลูกระดิกก่งเสียงที่ไม่น่าพอใจรวมทั้งเหตุการที่เราไม่ชอบทีบางครั้งเราก็ว่กกาโลกธรรมฝ่ายลบเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาว่าร้าย หรือความทุกข์ซึ่งก็รวมไปถึงความเจ็บความป่วยรวมไปถึงความล้มเหลวที่เกิดกับงานกับการพวกนี้เนี่ยไม่มีใครชอบแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนอกจากเราจะรักษาใจไม่ให้ทุกข์ละเราต้องรู้จักหาประโยชน์จากมันให้ได้นะมีเนี่ยไปสายคนหนึงแกเปรียบเทียบว่าคนเราเนี่ย เมื่อล้มแล้วเนี่ยก่อนจะลุกควรจะหยิบอะไรติดไม้ติดมือมาสักหน่อยไม่ใช่ว่าล้มเปล่าเปล่าล้มฟรีฟรีแต่ต้องมีอะไรติดไม้ติดมือก่อนที่จะลุกขึ้นมาหรือผู้อย่างหลวงพ่อเขียนคือว่าคนเราเนี่ยเวลาทุกข์เราอย่าทุกข์ฟรีฟรีให้มันได้อะไรจากความทุกข์บ้างซึ่งอันนี้มันก็เป็นคําสอนของพระเจ้าเช่นเดียวกัน มีฝรั่งคนหนึ่งนะชื่อจอรนเนี่ยแกอายุ60วันหนึง่งเดินเล่นนะจูงหมาไปเดินเล่นแต่เช้าเลยจู่ๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งผักหลังแกจนล้มเลยทีแรกนึกว่าเพื่อนมาหยอกแต่ทำไมหยอกแรงหันกลับไปมองผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าไม่รู้จักเลยแล้วผู้หญิงคนนั้นเนี่ยไม่ได้ ฝากให้ล่มเฉยๆนะเอามีดเนี่ยจ้วงแทงโ ร, โรเจอร์จร์เนี่ยจอ์โรเจอร์เนี่ยก็นำแทงเลยนะทั้งที่แขนที่ขาลำตัวหลัง40แผลนะแล้วก็หนีไปทิ้งให้จอร์เนี่ยนอนจมกองเลือดแต่ก็มีคนเห็นเหตุการณ์ก็พาส่งโรงพยายบาล ก็ช่วยได้ทันนะผ่าตัดหลายรอบมากช่วงที่อยู่โรงพยบาบาลเนี่ยก็แกก็ได้ทราบว่ามีคนที่เจอชะตากรรมเดียวกับแกเนี่ยหลายคนทีเดียวเพราะฝีมือของพู่หญิงคนเนี้ที่ตายไปก็มีสามคนแนละ้วที่เจ็บหนักก็มีสองรวมทั้งแกด้วยตอนหลังก็จับผู้หญิงคนนี้ได้ นักข่าวก็ไปสัมภาษณ์จอนนะว่าเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกหรือถามผู้หญิงคนนี้ไหมเพราะตอนนี้ตำรวจจับตัวได้แล้วจอนก็บอกว่าเนี่ยอยากจะถามผู้หญิงคนนี้ว่าเนี่ยทำกับผมอย่างนี้ทำไมแกไม่ได้มีน้ำเสีย ง, งความโกรธเลยนะมีแต่มีแต่ความงงงวน งุนงงสงสัยว่าทำงี้กับผมทำไมแล้วพูดง่ายคือว่าแกมีความปวดกายนะแต่ว่าใจไม่ทุกข์เะถ้ามีความโกรธเนี่ยใจก็ยอมทุกข์นะแต่ว่าแกสามารถรักษาใจไม่ให้โกรธไม่ให้เพยาบาเพียงคนนี้แล้วนักขาวก็ถามต่อไปว่าเนี่ยเหตุการณ์อย่างเนี้ยครั้งเนี้ยมัน คุณเชื่อมันเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณอย่างไรบ้างหรือเปล่าแกก็บอกว่ามันทำให้ผมได้คิดนะว่าวันหนึ่งตื่นเช้าขึ้นมาเดินเล่นอยู่ดีๆก็อาจจะโดนรถรถเมยทับตายก็ได้เราไม่รู้เลยนะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของเราในวันนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยควรทำ สิ่งที่ดีที่สุดทุกๆวันหรือผู้ใหญ่เนคือว่าให้ทำดีทุกวัน้ถ้าผู้อีกแบบนี้คือว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดสิ่งที่จอห์นพูดเนี่ยนะมันสะท้อนให้เห็นถึง วิธีการรับมือกับความทุกข์นะคือ1เมื่อเจอทุกข์แล้วเนี่ยรักษาใจไม่ให้ทุกข์คือไม่โกรธไม่พยาบาทคนที่มาทำร้ายแม้จะทำร้ายปางตายก็ตาม 2. หาประโยชน์จากมันอย่างจรอ น, นีเขาก็พบว่าเนี่ยเออมันมาเตือนให้เราเห็นนะว่าอะไรๆก็ไม่แน่นะจะตายเมื่ อ, อไหร่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าประมาท แล้วก็ควรจะทําดีทุกวันหรือทําวันนี้ดีที่สุดอันนี้มันเป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์ในทางธรรมนะที่เราควรจะสรุปนะหรือถอดเวลาเราเจอเหตุร้ายแบบนี้นี่คือการรู้จักหาประโยชน์จากความทุกข์ ถ้าเรารู้จังมองเนี่ยไม่ว่าจะเจอความทุกข์แบบไหนก็ตามนี่มันสามารถจะให้ประโยชน์กับเราได้นะมีู้หิิงไทยคนหนึ่งนะเธอเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงทำให้ต้องนอนติดเตียงเนี่ยวันหนึ่งก็เรียกว่า20ชั่วโมงได้แล้วก็อนาคตก็ไม่แน่นอนเพราะว่ากล้ามเนื้อมันก็ ทำงานน้อยลงไปเรื่อยๆเธอเริ่มมีอาการตั้งแต่ตอนเป็นนักเรียนมัธยมแล้วมือไม้แขนขาอ่อนแรงไม่สามารถจะเดินขึ้นบันไดไปชั้นเรียนได้ต้องให้พ่อนี่ต้องขี่คอพ่อเนี่ยขึ้นบันไดไปเรียนหนังสือตั้งแต่มัธยมต้น เต่าะจบม3แล้วก็ต้องเลิกเรียนเพราะว่าพ่อก็แก่ไม่สามารถจะให้เธอขี่คอไปเรียนหนังสือได้แล้วก็อาการเธอก็แย่ลงไปเรื่อยๆตอนหลังนี่ปอดก็เลยมีปัญหาเพราะไอ้ปอดนี่มันก็ต้องอาศัยการทํางานกล้ามเนื้อตอนหลังเธอก็หายใจได้เนี่ยแค่ 10% ของคนปกติต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ตั้งแต่วัยรุ่นเลยนะพอเรียนหนังสือไม่ได้ก็ต้องนอนอยู่ที่บ้านเหมือนกับว่าอนาคตนี่ดับบุ้ไปเลยแต่ว่ามีวันหนึ่งนะเธอได้อ่านนิยายนะที่ป้าหรือน้าเนี่ยยืมมาให้อ่านเธออ่านแล้วเกิดไฟขึ้นมาอยากจะเขียนนิยายบ้างทีแรกก็เขียนด้วยคอมพิวเตอร์นะแต่ต่อหลังมือ ม, มันก็อ่อนไปเรื่อยๆเขียนไม่ได้เลยนะต้องนอน แล้วเขียนจากโทรศัพท์มือถือแต่ก่อนก็ใช้วิธีใช้นิ้วจิ้มนะใช้ปลายนิ้วจิ้มใช้ปลายนิ้วกดคีย์บอร์ดแต่ตอนหลังก็ไม่ค่อยมีเลื่อนมีแรงต้องใช้ข้อ น, นิ้วอ่ะข้อ น, นิ้วชี้ข้างขวาซึ่งเป็นนิ้วเดียวที่เธอมีแรงในการกดคีย์บอร์ดในขนาดอประสากาขนาดนี้ยังมีไฟนะในการเขียนนิยายเขียน ใ่โทรศัพท์มือถือพอเขียนไปสักหน้าสองหน้าก็ส่งไปทางอีเมลเข้าคอมพิวเตอร์แล้วก็เปิดคอมพิวเตอร์มาแปลงให้กลายเป็นไฟล์ w วิ d แล้วก็แก้อ d ดิชทำเี้ยได้เวลาลองถหน้าบอกาะว่าเธอสามารถจะ เขียนหนังสือเป็นเล่มๆได้นะทั้งที่ร่างกายก็เรียกว่าทุพพลภาพผ่านมา10ปีเขียนไม่ได้19เล่มแต่ตอนหลังนี่อาการก็แย่ลงนะเพราะว่าโรคนี้มันไม่มียารักษาตอนหลังนี่เขียนหนังสือต้องเขียนแบบนอนเขียนนะแล้วมือไม้ก็ไม่ค่อยมีแรงแนละ้วเวลาจะเขียนหนังสือเนี่ยต้องเอาโทรศัพท์มือถือวางไว้ตรงหมอนข้างซ้ายมือแล้วก็เอามือขวาเนี่ยพาดตัว เพื่อให้ข้อนิ้วเนี่ยมันไปจิ้มตรงจอโทรศัพท์ที่อยู่ใกล้ๆศีรษะของเธอเธอก็ต้องหันไปดูเวลาจะจิ้มแต่ละตัวก็เอี้ยวตัวลงไปเพราะมือไม่มีแรงนะต้องอาศัยตัวเนี่ยน้ำหนักตัวเนี่ยส่งนะคล้ายว่าขยับนิ้วขยับมือให้มันไปจิ้มตัวอักษรได้ทีละตัวทีละตัวโอ้ทุกข์มากเลยนะ เดินเหินไปไหนก็ลําบากแต่ว่าเธอเป็นคนที่เรียกว่ามีไฟในการดำเนินชีวิตมากไม่มีความห่อเหี่ยวท้อแท้ที่จริงเธอทุกนะแต่เธอพูดได้ดีนะเธอบอกว่าความทุกข์นี่มันเดียร์ความสุขนะความทุกข์นี่มันเดียร์ความสุขความสุขมันทําให้ฟุง้งทําให้ล่องรอยแต่ความทุกข์มันทําให้เราอยู่กับตัวเองอยู่กับความเป็นจริงซึ่งดีกว่าการล่องรอยฟุ้งมากเลย โอ้นี่ขนาดทุกข์ยังหวังเห็นประโยชน์ความทุกข์เลยนะว่าความทุกข์นี้มันดียังไงบ้างคนที่อย่างที่ธร ม, มาบอกเมื่อวานเนี่ยพูดถึงเด็กที่ก็เป็นมะเร็งสมองก็บอกเขาโชคดีถ้าเขาไม่ได้เป็นมะเร็งมดลูกแั่นธรรมะคิดว่าคนที่เป็นมะเร็งมดลูกเนี่ยก็คงถ้าเจอแพร์เนี่ยผู้หญิงที่ชื่อแพร์คงจะบอกว่าโชคดีนะที่ไม่ได้เป็นแบบแพร์เพราะมันทรมานกว่าเยอะเลย แต่พรวนี่เขาก็ยังคิดว่าตัวเองเนี่ยได้ประโยชน์จากความทุกข์นะทั้งที่ไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่แต่ว่าเขาก็เห็นว่าทุกข์นี่มันมีประโยชน์ทําให้อยู่กับตัวเองอยู่ความเป็นจริงและพอไม่ไม่บ่นไม่โวยวายพอเจอทุกข์กลับเห็นประโยชน์ความทุกข์ก็ทําให้มีเรี่ยวมีแรงมีกําลังใจในการเขียนนิยายนะนิยายเธอได้รางวัลด้วยนะ เมื่อ 2-3 ปีก่อนวันนี้เป็นเรื่องคนที่เรียกว่าอยู่กับความทุกข์นะอยู่กับโลกซึ่งมันมันเลวร้วายกว่าโลกหลายๆอย่างที่เรารู้จักแต่ว่าใจก็ไม่ได้ทุกข์ไปด้วยสามารถจะใช้ความเจ็บความป่วยหรืออาศัยภาวะที่เจ็บป่วยในการผลิตงานออกมานะซึ่งทำความสุขสร้างความสุขให้กับผู้อ่านอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคนที่เขารู้จัก หาประโยชน์จากความทุกข์นะไม่ไม่ไม่ยอมจำนนต่อความเจ็บความป่วยหรือไม่จมทุกข์เพราะความเจ็บความป่วยนอกเราดูให้ดีนะความเจ็บความป่วยเนี่ยมันมันสามารถที่จะทาให้เราได้พบสิ่งดีๆในชีวิตได้หลายอย่างหรือทำสิ่งดีที่สร้างสรรค์นะส่วนหนึ่งก็พูดไปแล้วเมื่อวานนะที่ว่าเนี่ย คนบงนบอกว่าเนี่ยมะเร็งหรือเคมีนำสิ่งดีๆมากับชื่อเขาหลายอย่างทําให้ชื่อเขาเปลี่ยนไปทําให้รู้จักพุทธศาสนาทําให้เห็นความรักที่บริสุทธิ์ของพ่อแม่ทําให้มีเวลาอ่านหนังสือมีเวลาหยุดคิดใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทพวกเราจะรู้จักอาจารย์นวิปัสนาจารย์ท่านหนึ่งนะมีชื่อมากนะมีชื่อเสียงไปทั่วโลกเลย เป็นคนที่ทำให้คําว่าวิปัสสนา เ, นเป็นที่รู้จักในหมู่ฝรั่งคนไทยไม่ค่อยรู้จักวิปัสสนานะแต่ฝรั่งจำนวนมากรู้จักคาว่าวิปัสสนาโดยที่ไม่ต้องแปลเลยก็เพราะผลงานของท่านโกวอนการท่านเกวอนการเนี่ยพื้นเพเนี่ยท่านเป็นคนอินเดียนะนับถือาศาสนาฮินดูแต่ไปเกิดในพมา่าแล้วประสบความสำเร็จมากนะอายุ3าก็เป็นพ่อค้าที่ร่ารวย แล้วก็ได้รับการยอมรับจนเป็นผู้นำของพ่อค้าชาวอินเดียนในพมา่าเทียบสมัยนี้ก็เหมือนกับเป็นนายกสมาคมพ่อค้าแต่ว่าเรียกว่าโชงไม่ดีก็ได้ ท, ท่านกวเนกาเนี่ยปวดไมเกรนอย่างรุนแรงรักษาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่หายมีเงินเท่าไหร่ทุ่มไป ก็ไม่ได้ช่วยไปรักษาตัวที่ต่างประเทศเขาก็ให้มอร์ฟีนช่วยระงับไมเกรนได้เป็นครั้งคราวแต่สุดท้ายนอกจากไ ม, ไมเกรนไม่หายแล้วยังติดมอร์ฟีนอีกนะกลับมาอินเดียกลับมาพมา ก, ก็ไม่รู้ทำยังไงเงินท้องมากมายช่วยไม่ได้แต่ต่อหลังได้ทราบว่ามีการสอนกรรมฐานโดยท่านอูบาคินอูบาคินนี่ก็เป็น เป็นคารวะนะที่ตอนหลังเนี่ยสอนกรรมฐานแทนครูบาอาจารย์ที่เป็นพระถ้าครบากินสอนกรรมฐานก็มีคนแนะนําให้นั่นกเองก้านเนี่ยไปฝึกกรรมฐานดูปดติถ้าเองกรราไม่ถ้าเองก้าไม่สนใจนะเรื่องเรื่องธรรมะเรื่องกรรมฐานนะแต่ว่า ไอ้มเกรนเนี่ยความเจ็บป่วยเนี่ยมันทำให้ไม่มีทางออกนะก็ต้องหันไปตกลงก็ไปทำกรรมฐานเข้ากรรมฐานบอกว่าทำแล้วเนี่ยดีขึ้นนะก็เลยเข้ากรรมฐานอยู่บ่อยๆสุดท้ายไมเกรนหายแต่ไมเกรนหา ย, ยาเดียไม่พอทำให้ท่านได้เข้าใจธรรมะมากขึ้น แล้วก็หันมาสมาทานพุทธศาสนาและตอนหลังก็ได้รับมอบห ม, มายจากอาจารย์ให้เป็นผู้ช่วยอาจารย์สอนกรรมฐานตอนหลังได้ยับการยกฐานะเป็นอาจารย์เลยนะเพราะว่าท่านต้องไปอินเดียเป็นเดียเนี่ยก็ไปเพราะว่าไปดูแลแม่ดูแลบุปการีอาจารย์ก็เลยมอบหมายให้ไปเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานที่อินเดีย เพราะว่าสอนกรรมฐานนินเดียนี่ลูกศิลุกูกหายเยอะนะต่อหลังได้รับเชิญให้ไปสอนที่ประเทศอังกฤษแล้วก็เลยเป็นที่รู้จักนะก็ทำให้วงการกรรมฐานวงการปัสสนานี้แพร่หลายอันนี้เพราะถ้าอาจารย์โกเรนกานี่ไม่ป่วยเพราะไม่เกรดนี่ท่านก็คงไม่ได้พบพุทธศาสนานะแล้วก็ โลกก็คงจะไม่ได้รับประโยชน์จากการสอนกรรมฐานหรือวิปัสสนาของท่านอันนี้แล้วว่าเป็นพราะเจอทุกข์นะจึงมาพบธรรมคนจำนวนไม่น้อยเลยเนี่ยเมื่อเจอทุกข์แล้วเนี่ยทำไม่ได้มาพบธรรมะถ้าไม่เจอทุกข์ไม่เจ็บไม่ป่วยก็ไม่สนใจธรรมะ ในสาพุตการนี้มีพระอรหันต์จำนวนมากนะที่พื้นเพนี้ไม่ได้สนใจธรรมะเลยแต่พอเกิดทุกข์ขึ้นมาเช่นสูญเสียลูกอย่างนางกีสาวกตมีหรือว่าสูญเสียทั้งสามีทั้งลูกทั้งพ่อแม่อย่างนางปตาจาราในความทุกข์เนี่ยแสนสาหันี่มันบีบคั้นทำให้ต้องกระเซกระเซิงไปหาพระพุทธเจ้า อย่างนางกีสาวกติมีเนี่ยอยู่สาวัตถีนไม่เคยไม่เคยไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเลยนะทั้งที่พระพุทธเจ้าก็อยู่นอกเมืองไม่ไกลแต่พอเสียลูกเศร้าโศกอยากจะให้ลูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาก็เลยบากหน้าไปหาพระพุทธเจ้าก็เลยทำไม่ได้พบธรรมะและทำไม่ได้เข้าใจนะว่าความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้เป็นเพราะความสูญเสียลูก แต่เป็นเพราะความยึดติดถือมั่นในรูปอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนนางกีสาวกตมีว่าเนี่ยมรตยูยอมพัดพาผู้ที่หลงไหลติดยึดในรูปในสัตว์เลี้ยงเช่นเดียวกับน้ำป่าที่พัดพาผู้ที่หลับไหลไปเช่นนั้นมรตยูพัดพาผู้ที่หลับไหลผู้ที่หลงไหลติดยึดในรูปเนี่ยพัดพาไปไหนพัดพาไปสู่ความทุกข์ แต่ถ้าไม่หลงไหลติดยึดในลูกในทรัพย์ในสัตว์เลี้ยงนี่มรรตอยู่ก็พัดผ่าไปสู่ความทุกข์ไม่ได้อันนี้คือคือสัจธรรมที่นางกีสาวกตไม่ได้เห็นเลยนะบอกว่าพอได้ฟังธรรมดวงตาก็เห็นธรรมเลยได้เป็นพระโสดาบันเช่นเดียวกับนางปตาจาราก็ได้เห็นธรรมบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน หลังจากที่กระเสาะกระเซิงมาพบพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นตัวอย่างนะคนที่เรียกว่าเจอทุกเนี่ยจึงมาพบธรรมะเหมือนกับว่าทุกเนี่ยนะเป็นตัวผลักให้เข้าหาธรรมะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะสมัยพุทธกาลนะโจย์จนทุกวันนี้เนี่ยคนจนไม่น้อยเนี่ยที่ได้มาพบธรรมะก็เพราะความทุกข์ อย่างหลายคนเนี่ยบอกเลยนะว่าเนี่ยถ้าไม่เป็นมะเร็งก็ไม่ได้มาพบธรรมะบางคนก็บอกขอบคุณที่เป็นมะเร็งหรือบางคนบอกว่าโชคดีที่เป็นมะเร็งเพราะว่าถ้าไม่เป็นมะเร็งก็ไม่ได้มาสนใจธรรมะไม่ได้มาปฏิบัติธรรมบางคนเสียลูกลูกตายตั้งแต่ยังยังหนุ่ม โทษตัวเองว่าทำให้ลูกตายเสียใจมากทั้งเศร้าทั้งรู้สึกผิดจนแทบจะไม่เป็นผู้เป็นคนเพื่อนต้องแนะนำให้ลองไปปฏิบัติธรรมพอได้ไปปฏิบัติธรรมแล้วนอกจากความเศร้าจะจางคลายความรู้สึกผิดจะไม่รบ ก, กวนใจก็ยังได้พบความสงบเย็นบอกว่าชีวิตเปลี่ยนเลยบอกว่าเนี่ย ขอบคุณความตายของลูกที่ทำให้แม่มาพบธรรมะความตายของลูกเป็นสิ่งที่คุ้มค่าที่ทำให้แม่ได้พบชีวิตใหม่โอ้นี่มันสำหรับแม่เนี่ยความตายของลูกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดแล้วเท่าที่จะเกิดขึ้นกับคนเป็นแม่แต่ว่าแม่กันนั้นเนี่ยมันก็ยังมีประโยชน์นะมันทำให้ แม่ได้มาพบธรรมะได้พบความสงบได้พบชีวิตใหม่ไม่ใช่นเดนียวกับที่หลายคนขอบคุณมาเรีงนี่ถีทำให้ได้มาพบธรรมะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะความทุกข์เนี่ยมันมันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะเยพราะถ้ามองในแง่ของธรรมะเนี่ยความทุกข์มันผลักให้คนมาเจอธรรมะและที่จริงถ้าดูดีๆความทุกข์นี่แหละคือธรรมะ ธรรมะที่หมายถึงสัจธรรมความทุกข์เนี่ยคือสัจธรรมถ้าหากว่าพิจารณาความทุกข์ดีๆก็จะพบว่าเนี่ยนี่คือสัจธรรมความจริงที่มันปรากฏกับทุกสิ่งทุกอย่างทุกอย่างก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นที่เราเป็นตัวทุกข์เนี่ยว่าโดยย่อ อ, อุปาทานขันติเป็นตัวทุกข์ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ า, ญญาหรือสัรพสิ่งทั้งรูปธรรมนามธรรมล้วนแต่เป็นตัวทุกข์แต่พิจารณาดีๆเนี่ยทุกข์ก็คือธรรมะคือสัจธรรมเห็นทุกข์ก็คือเห็นสัจธรรมและสัจธรรมอย่างนี้แหละที่ทําให้พ้นทุกข์ได้หลวงพ่อคําเขียนจึงบอกว่าเห็นทุกข์ก็พ้นทุกข์นะอันนี้ท่านเขียนไว้ในช่วงท้ายๆของชีวิตท่านนะเห็นทุกข์ก็พ้นทุกข์ ทีแรก็เห็นทุกข์ด้วยสติก่อนคือเห็นอารมณ์ที่มันทําให้ทุกข์และยกจิตหรือพาจิตออกจากอารมณ์เหล่านั้นนนี้เรียกว่าไม่เข้าไปเป็นผู้ทุกข์พราเห็นทุกข์เห็นอารมณ์ที่ทําให้ทุกข์แต่ต่อไปมันก็เห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละอันนี้เป็นศัจธรรมที่ลึกซึ้งมากเลยนะเมื่อเห็นว่าทุกอย่างเป็นตัวทุกข์หรือทุกอย่างนะ ล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นเหมือนของร้อนที่เข้าไปเป็นเหมือนของหนักที่แบกเมื่อไหร่ก็หนักเมื่อนั้นเป็นเหมือนของร้อนที่จับเมื่อไหร่ก็ลวกมือเมื่อนั้นเป็นเหมือนของแหลมที่ถูกเม <ária. S 1> ื่อไหร่มันก็เจ็บเมื่อนั้นนั้นอย่างเดียวที่ควรทําก็คือวางมันลงซะหรือไม่เกี่ยวข้องกับมันเกี่ยวข้องแบบไม่ยึด เรื่อไม่ยึดมันถือมันตรงนี้แหละที่ทําให้พ้นทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงแล้วลองพิจารณาดูดีๆในะความทุกข์เนี่ยแม้ว่าเราจะยังไม่เห็นว่าทุกข์คือสัจธรรมแต่น้อยเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นความเจ็บความป่วยนะไม่ว่าจะเป็นความสูญเสียพัดพรากมันก็เล่นแต่มีประโยชน์รู้จักถ้าเรารู้จักหาประโยชน์จากมัน อ ย, อย่างที่เมื่อวานนี้พูดนะบางคนเนี่ยขอบคุณมะเร็งนะที่ทําให้หายจากโรคซึมเศร้าเพราะมะเร็งทําให้เข้าใจตัวเองและอยู่กับโลกได้ดีขึ้นหายซึมเศร้าไปเลยถ้าไม่เป็นมะเร็งก็คงตายเพราะโรคซึมเศร้าไปแล้วเพราะพยายามฆ่าตัวตายไปแล้วสามครั้งแต่พอเป็นมะเร็งเนี่ยโลกธาตุเปลี่ยนมุมมองต่อชวิตเปลี่ยนหายจากโรคซึมเศร้าไปเลยอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่ เราสามารถที่จะมองเห็นหรือเป็นประโยชน์ที่เราสามารถจะหาได้นะจากความทุกข์ทั้งหลายแต่ข้อสำคัญคือว่าต้องตั้งสติให้ได้ก่อนยอมรับมันให้ได้รักษาใจไม่ให้ทุกข์จึงจะมีสติที่จะมองเห็นหรือหาประโยชน์จากมันได้